เลี้ยงหมูขายบาปไหมพ่อค้าเลี้ยงหมูสงสัยว่าการมีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงแล้วก็ขายไปจะเป็นบาปหรือไม่ถ้าเรานึกว่ามันบาปมันก็บาปนึกว่าไม่บาปมันก็ไม่บาปเราเลี้ยงให้มันโตเราขายไป เขาจะไปทําอะไรเราไม่สนใจเอาแบบคนเลี้ยงปลาที่จังหวัดจันทร์ก่อนที่แกจะลงมือเลี้ยงปลาเนี่ยแกจุดทูบจุดเทียนไหว้พระแล้วแกก็อธิษฐานจิตข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าการเลี้ยงสัตว์ขายมันเป็นบาปแต่ข้าพเจ้าไม่มีทางออกมองเห็นทางเดียวเท่านี้พอที่จะหาอยู่หากินเอาตัวรอดได้ข้าพเจ้าขออนุญาตเลี้ยงปลาขายในเมื่อร่ํารวยมั่งมีตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้ว ข้าพเจ้าจะเลิกแกก็ทำไปแล้วแกก็บรรลุผลสำเร็จแล้ววันที่แกจะเลิกนั่นแกทำบุญต่อเนื่องกันเจ็ดวันเอาลูกปลามาปล่อยวันละแสนตัวแล้วแกก็เลิก สอนตนก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นเราเกิดมาในชีวิตตั้งแต่บวชมาในชีวิตของการเป็นนักบวชเนี่ยไม่เคยกลัวใครจะลงนรกเรากลัวแต่เราคนเดียวจะลงนรกจะไปกลัวคนอื่นเขาจะลงนรกทําไมถ้าคนทั้งโลกสร้างบาปลงนรกเราจะสร้างแต่ความดีในเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเท พ, พบุตรบนสวรรค์สมบัติบนสวรรค์ นางฟ้านางเทวดาเป็นของเราหมดไม่มีใครแย่งพระพุทธเจ้าท่านทําเป็นตัวอย่างท่านสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงมาสอนเราอย่างพวกเราพวกเราเนี่ยตัวเองยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไรสมาธิที่แท้จริงคืออะไรอุตสาห์ไปตั้งสํานักสอนสมาธิสอนไปสอนมาก็มีแต่เถียงกัน บางสำนักติดป้ายประกาศมาตั้งแต่ฉะเชิงเซาจนถึงเมืองโคราชมักกลีผลเต่าล้านปีท่ามผีสิงปักเป็นแถวตลอดมาจนถึงเมืองโคราชมักกลีผลท่ามผีสิงเต่าล้านปีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแม้แต่นิดเดียวและเอามาประกาศโฆษณาเพื่อเหตุผลอะไรแต่ท่านก็ประกาศว่าท่านเป็นสำนักปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเมื่อสรุปลงแล้วผู้เผยแพร่ธรรมในปัจจุบันเนี่ยมุ่งแต่วัตถุกับบุคคลส่วนคุณธรรมจะเป็นอย่างไรฉันไม่สนใจขอให้ฉันหลอกลวงคนให้มาหลงเชื่อให้ได้มากๆนั่นเป็นดีสำหรับพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้